เรื่องได้รับจดหมายใหญ่คงจะเป็นความผูกพันระหว่างสิทธิกับอาจารย์อย่างแน่นแฟนเมื่อครั้งที่ท่านพระอาจารย์ส่งพระจันทร์ซึ่งภายหลังคือพระเทพสิทธาจารย์จันเขมิโยและสามเณรจูมซึ่งภายหลังคือพระธรรมเจดีจูมพันธุโลไปศึกษาต่อ ที่กรุงเทพมหานครต่อมาทางราชการได้ส่งพระทั้งสองรูปมาปฏิบัติศาสนากิจทางภาคอีสานเป็นสิทธิของท่านท่านพระอาจารย์ส่งไปศึกษาเองเวลามาทำงานที่ภาคอีสานนักกราชอย่างท่านพระอาจารย์จะไม่เอาธุระช่วยคงเป็นไปไม่ได้คล้ายๆกับว่ามีอะไรผูกพันกันอยู่อย่างนั้น ครังท่านพระอาจารย์จำพรรษาอยู่ภาคเหนือทุกปีท่านเจา้าคุณพระมหาจูมส่งจดหมายไปกราบนรรสการนิมนต์กลับภาคอีสานปีแล้วปีเล่าท่านพระอาจารย์ก็เฉยเฉยปีนั้นท่านเจา้าคุณจึงไปกราบนรรมสการด้วยตนเองขอนิมนต์กลับภาคอีสานท่านตอบรับทันทีแล้วยังเร่งด้วยว่าจะกลับวันไหนกลับด้วยกัน ทุกปีเห็นแต่จดหมายเล็กเลยไม่กลับปีนี้จดหม้ใหญ่มาแล้วต้องกลับท่านว่าท่านเจ้าคุณจึงกราเปลียนท่านว่านิมนพักอยู่ก่อนกระผมจะไปอุดรธานีจัดที่พักเรียบร้อยแล้วจะส่งคนมารับที่หลังท่านเจ้าคุณได้จัดวัดโนนพระนิเวศเมืองอุดรธานีซึ่งปัจจุบันคือวัดป่าโนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ถวายท่านพันนักเป็นวัดแรกหลังจากท่านไปจำพรรษาที่ภาคเหนือถึงสิบอดปีท่านได้มาช่วยสิทธ์ทั้งสองเต็มกำลังดังผลงานที่ได้ปรากฏอยู่ทั่วไปในภาคอีสาน